พระบัญญัติ439ก็ภิกษุใดเมื่อมีผู้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอยู่กล่าวอย่างนี้ว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆที่ยกขึ้นแสดงเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรย่อมเป็นไปเพื่อความรำคาญเพื่อความลำบากเพื่อความยุ่งยากต้องอบัตปาจิตตีเพราะดูหมิ่นสิกขาบทเรื่องพระชพะคีจบ